Book 2ห้ตออวยยวะอปผมวาดรูปผู้ชายวิาโท พอวเรเริ่มจากศีสะก่อนในฟิล์มโคล์มนผู้ชายสวมหมวกบบนน บ, บ, บ, นนบมองไม่เห็นเส้นผม นุกีนฟลอกตนุกีดูกันฟลอกตมองไม่เห็นหูด้วยนุกีตกันเอเดเวชตนุกีันเวเวชตมองไม่เห็นหลังด้วยเอเดคุริซินุกีตกตเอเคุริซีนุกีตกต ผมกำลังวาดตาและปากอ the g o j น n อุนน i โปอีพิว the กผู้ชายคนนี้กำลังเต้นราและหัวรรเชชราะบ h e เ h e ช, ช ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวบเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาอ เขามีผ้าพันคอที Ay, ban, mm ่รอบคอของเขาอีกด้วยอมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นอิ่ม์ดฟมอร์เฟกต แขนแข็งแรง k r ขาก็แข็งแรงด้วย e ผู้ชายคนนี้ทํามาจากหิมะ บุหรี่สเปรยบ ore บุรี่อส์ต์เพร์บ ore เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมบุรี่นุก้าเวชู pantalona the p a l t o a i nukka v e s h u r pantalona h e p a t o แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น พอร์บูรินุกกาฟโต๊กต์เขาคือตุ๊กตาหิมะไอ้ชนีรีพรีบบูเรอีอั ë ต์เน n ้อเนรีรบร